แลนนะ้วเเจริญพรเนียโบส์แนทั้งหลายก็คือในช่วงนี้เขามาศึกษาคำพีสติตฐานแต่ว่าในชั้นนี้ก็คือว่าการศึกษาพาระธรรมคำสอนของพรรพุมีประภาคเจ้าเนี่เราในฐานะที่เป็นผู้ที่มาสึกค้นคำสอนของพระบรมศาสดาสิ่งที่ สิ่งที่ควรจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเรื่องเรื่องการที่จะต้องตรวจสอบคุณธรรมของตนเองเพราะว่าร่วการผ่านคันไวกันมาตามลำต่อสรุป ก, ก็คือใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยพบนี้กันเข้ามาทุกทีแล้วฉะนั้นการตรวจสอบคุณธรรมภายในผมแต่รับท่านเนีเ่ยเป็นเรื่องจําเป็นว่าตอนเนี้ย ก็มาพิจารณาดูว่าในชั้นของตนเราเองนั้นเนะี่ยในส่วนของทานศีลภาวนาทั้งหลายหรือคุณของพระบรมศาสดานี่เนะี่ยเป็นบรรทับแน่นในกระแส จ, จิตใจของเราทนทั้งหลายหรือไม่มันสำคัญมากถ้าหากว่าเราไม่ตรวจสอบหรือพิจารณาวิจัยตนเองในที่สุดจริงๆเราก็จะปล่อยปล่านเลยนะมันจะออกนอกตัวมากไปก็ต้องระมัดระวังฉะนั้นกรณีแห่งการที่เรานั้นเนะ่ย เป็นผู้ฆ่าจากศาสนาของพรัชินเจ้าอันประเสริฐซึ่งเราได้เพศอนุกฤแล้วน่ะที่นานสมนาเทลีที่ทรงเตือนไว้ตอนสมัยลังกาที่นางมาจากเมกไก่แล้วต่อมาในสมัยพระเจ้าองค์พรนเจ้าขนาว่าวิปัสสิสัมมากับพุทธเจ้าต่อมาก็ผ่านพระโกูุสันท่าโคนาธรมณะกัสสาจนถึงพระผู้เียระ้าวเจ้าพอกเราทั้งหลาย นางก็ามาอุบัติเกิดขึ้นเป็นลูกศุกร์ดูสิในสังสารวัในภพนั้นก่อนหน้านู้สมัยพระพุทธเจ้ากูกูสันธานั้นตายจากแม่ไก่เธอก็จิตจนั้นก็ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์จากการฟังทิกสูแสดงสถิบิฐานสูดพอฟังเบรศเสร็จนั่นแหละด้อัตยาศัยนั่นต่อมาได้เป็นธิดาของ ในราช จ, จัาปูและต่อมาก็ไปบวชในสำนักของนางปริภาชิกาเป็นต้นยังพระโถมอาจารย์ได้ตั้งขึ้นแล้วไปเกิดในประโถมอาจารย์ปู่ในชั้นนั้นน่ะท่านก็บอกว่าสอบสนด้วยหน้าทองกติเยอะเป็นหมดนะและสังสารวัตก็ผ่านมาอย่างยาวไกลในที่สุดจริงๆมาสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราถ่ามพระเจ้ามาสามพระองค์ก็มาเกิดเป็นลูกของ สุกรเป็นนางลูกสุกรตัวเล็กๆอยู่ข้างทางพระบรมศาสดาก็ทรงเห็นเหตุนนะั้นแล้วก็แย้งพระโอษฐ์ข้านนทก็กราบทูลถามพระบรมศาสดาก็ตรัสโทษของสังสารวาัฏโทษของตันหานบอกว่านีไงบัดนี้แม่ไก่สมัยที่เกิดทันสมัยพระพุทธเจ้ามีนามว่ากกูสันท้าเนี่ย ได้ฟังภิกษุสาธยายสติปัฏฐานเนี่ยเจริญวิปัสนาเนี่ยเนี่ยเออมาเกิดเป็นลูกหมูอยู่ตรงเนี้ยมันนึกถึงตนเองด้วยนีย่นึกถึงตนเองด้วยพระบรมศาสดาเห็นเหตุแล้วก็ทรงแสดงในตันหาวัฏเนี่ยเยามาสาธยายเป็บ่อยนั่นแหละที่พระบรมศาสดาแสดงให้เห็นโทษของตันหาราคา นั่นแหละพิสูจได้บรรลุเป็นพระโสดาบันสกาธานาคาเป็นต้าหานกันเยอะ น, นางลูกสึก่อนเป็ตาจะอัจรภภาพนั้นแล้วต่อมาก็ได้เป็นบรรลุเป็ทานมาอีกสิบสามอัตภาพมาเกิดส่วนภูมิอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ประเทศไหนเนี้ยใช่ว่าไทยก็เหมือนหรือว่าปมาอินด แล้วต่อมากลับไปเกิดที่ลังกายแล้วต่อมาก็นั่นเลยไปเป็นลูกของในสมัยพระเจ้าทิวานามีนาดิษ์แล้วต่อมาก็เกิดเป็นผู้หญิงหน้าตาสูงมหาอมาตย์ของพระเจ้าทิวานาีนาดิษฐ์ก็ก็ลก็ไปขอแต่งงานแล้วก็พานางมาตอนนั้นน่ะ ท่านพระเทลรเป็นพระรันษไปบินธรบาร์พาภิกษุไปไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านนะเห็นนางเข้าท่านอุทานออกมาโอ้โหน่าสะจัน์นางลูกสุกรมนเกิดเป็นภรรยาของหมาหมานเลยพุกนางได้ยินกันนั้นละร้องไห้เลยกราบเท้าว่อนวอนสามีขอบิดขอบู ในจริจริงนางฟังสติปัฏฐานสูตรแล้วได้เป็นพระสงฆ์แทนเป็นภิกษุณี<ม>แล้วต่อมาไปตามลำดับแล้วต่อมานางเล่นางได้ฟังอาศัยวีสมสมรสเกี่ยวกับเรื่องของงูสีกุกดินน้ําไปแล้วได้เป็นโลกเป็นตาลในวันที่นางจะบริญปานนางเล่อาอดีตแล้วนางก็ตื่น ท่นทั้งหลายได้เพศได้กแล้วสงสารวัฒนที่เจ็บปวดไม่รู้ได้อะไรตอนนี้เราดูต้องตองดตัวเตอนนี้ยเราเราเราเพลินเพลินอะไรแตนเรยังมาดูที่ว่าอะไรมหายไปไหมเนี่ยดูสัตตินีของเราที้มีความเชื่อมั่นใน่หวั่นไหวในคุณของบุคคลมศาสพาตั้งมั่นขึ้นไหมพูดเพราะศรัทธาที่คล้อยตามปัญญายังมั่นคง บริยาต้องคอยตามปัญญาสติสมาธิเนี่ยต้องคอยตามปัญญามันถึงจะมั่นคงแล้วมันคลอนแทนอะไรไปไหมความเลื่อมใสต่อในพระราคณาไทยี่ยมันตกลงไหมตรงเนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าหากว่าเราไม่สามารถตรวจสอบหรือว่าดูตนเองได้ตลอดนี่ยความเสียหายคือเราไม่ใช่ใครความเสียหายคือเรา ั้นตรงนี้ก็คือว่าอะไรเป็นปัจจัยทำให้ศรัท ธ, ธาเราคลอนแคนวิจิกริชาที่เคยบอก บ, นบน่อยๆอันนี้เป็นตัวทำลายเลยไอ้ตัววิจิกริชาเลยนะสงสัยในพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉะนั้นการที่พระบรมศาสดาสเสด็จรุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเห็นไหมถ้าหากว่าพิจารณาอย่างจะเห็นอะไรที่พระศาสดาตรัสไว้นะเนี่ยบอกว่า ถ้าดูในธรรมทายาสูตรจะชัดนะีในพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงบอกว่าดูความภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นอาวิสทาญาทของเราเลยจงเป็นธรรมทายาทถ้าดูตรงนี้จะชัดเลยที่ในคําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราเถออย่าได้เป็นอาวิสทาญาทของเราเลยเรามีความอนุเคราะห์เราเนี่ยมีความอนุเคราะห์ในพวกเธอทั้งหลายว่าฉันไหนหนอ สาวกทั้งหลายของเราจึงเป็นธรรมทายาทจะได้เป็นอมิสตายา น, นี่แปลว่าอะไรคือเวลากล่าวถึงคําสอนดังที่ได้กล่าวไว้ว่าถ้ายกตัวอย่างว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยแปลว่าพุทธบริษัทสี่เนี่ยบรรพชิตและก็ฤๅษีทั้งหลายเนี่ยจงเป็นธรรมทายาอย่าเป็นอมิสตายาคือบางทีเนี่ย พ่อมาเคยตอนที่อยู่ที่โคราชมาถามมาถามบอกว่าเอาอพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมอบกายถาวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าหรือยังดรรดามอบแล้วถา้ว า, ถ า, าถามดรรดาเนี่ยแปว่าถามทั้งหมดเลยเออถามทั้งหมดบอกว่ามอบกายถาวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าหรือยังมอบมากี่ปีแล้ว ม, มอบมาอยู่ดีแล้๋ยตมอบมายดีแล้วว่ายังยังไม่ร้อยเอร็ตใแต่จริงๆแล้วมอบแล้วใช่ไมประกาศมอบเออมอบแล้ ว, แ ล, วแล้วเชื่อมั่นในพระผู้มีภาคเจ้าไปทํามาสนะมนั้นในพระรัธนาใจใช่ไหมอ เ, เอาเชื่อมัน่น ทีเมื่อเชื่อมั่นแล้วเราก็มอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วสแสดงว่าตั้งแต่จะหัจนหัวจิตหรืเท้าเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าใช่หมใช่ค่ะทั้งจิตใจด้วยเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะเรามอบเพราะเราไม่ปราถนาจะเป็นทาาของตัณหาเราเลยมาอยู่เป็นทาาของศรัทธาใช่ไหมคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่า เมื่อเราเดินตามศรัทธาแล้วศรัทธาจะพาครอบเฝองพระพุทธเจ้าเพราะโคโราม า, าศาสดาเวลาจะโปรดเนี่ยโปรดคนที่มีศรัทธาอ๋อสุกรตัวนั้นน่ยมีศรัทธาฟังธรรมเนี่ยจึงได้อัติยาสายเกยการบรรลุแต่เราเนี่ยไม่มีศรัทธาไงเพราะศาสต า, าจึงไม่โปรดถ้าโปรธวันนี้เราบรรลุแล้วถ้าเป็นสัตย์ราชฉันเราก็มรรูุไปแล้วมาทิ้งถามไง เพาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีศรัทธาในพระองค์ไงถ้าศรัทธาจริงๆเนี่ยสรุปแล้ ว, ลวเมื่อเรามอบกายถวายชีวิตแด่พระศ า, าสดาแล้วเนี่ยเมื่อคิดถึงตนเองต้องคิดถึงใครว่าเป็นสมบัติของพุทธเจ้าแล้วไงแล้วเพชรนินจินดาที่ประดับเหลียญองคายทองคายเยอะแล้วเล <c oughs> ่าหนาทองคาย ของพระพุทธเจ้าไงก็ก็ตายและชีวิตเรายังถวายแล้วและสมบัติของเราก็ไม่มีแล้วสิก็ถวายเป็นของพระพุทธเจ้าทีนี้ที่ต้องการถามแล้วเรามองตัวเราเองเนี่ยเป็นวัตถุกรรมหรือวัตถุฐานเอาตอบหน่อยเป็นวัตถุกรรมหรือวัตถุฐาน อันนี้ถามจริงนะไม่ใช่ถ า, ามเล่นน ะ, อะยอมบอกว่าวนาฬิกาที่ใส่นะั้นเป็นวัตถุกามหรือวัตถุฐานเป็นวัตถุฐานแนละ้ว ถ, ถ, าถามว่ า, า, วาแล้วเคยยินดีกับมันไหมไม่ไปดูยอะไรเดียวอย่าไปตอบเลี่ยงนะตอบเลี่ยงนะให้ตอบด้วยนะนะความรู้สึกจริงๆนะ เราได้ยินดีในมีราชามีความกำหนัดกับมันไหมนี่มองหนังสือเล่มนี้ยเป็นวัตถุ ก, กรรมหรือวัตถุทานมองโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเป็นวัตถุกรรมหรือวัตถุทานอาโยมพิจยามองห้องเนี้ยเป็นวัตถุกรรมหรือวัตถุทานวัตถุอะไรนะวัตถุทานแปลว่า แปลว่าแปลว่าสิ่งของที่ควรให้ใช่ใชควรให้ที่เรามองเป็นวัตถุทานเพราะตัณหาจะได้ไม่ฉาบติดใช่หมและเรามองตัวเราเองนี่แหละเป็นวัตถุการมหรือวัตถุทาน เออพูดตามความเป็นจริงที่ทพ <อ S 1> าระาระถามเออเป็นวัตถุ ก, กรรมนนนเป็นสิ่งที่น่ารักน่า ย, ยินดีน่าเพลิดเพลินทนุู้ น, น, น, นอมอันนี้คือปัญหาที่ไม่เข้าใจวัตถุ ก, กรรมกับวัตถุทาน อ, อ, อันนี้มาสรุปไงเมื่อกี้เจ้า ย, ยอมอีกงานบอกว่าให้มาสรุปเจ้าตัวไม่มานั่งฟังฟังหรือเปล่าอ๋อนะ เพราะจะได้รู้ไงว่าจริงๆเป็นยังไงทำไมแล้วใช่ขอตรวจสอบน้ฉะนั้นเช็คใช่ไหมใช่มันต้องฟังว่าจริงๆแล้วต้องการจะสรุปประเด็นเนี่ยเรามาทักเช็คถามรายละเอียดกันว่าข้อตรวจสอบที่ผ่านมาฟังสติปัฐานเนี่ยอมาก็อยากจะตรวจสอบเหมือนกันว่าพวกเรามองยังไง มองเป็นวัตถุกรรมหรือวัตถุทานสรุปแล้วเนี่ยคุณธรรมมันไม่ขึ้นนั่นเองนด้ไหมเอ่เนี่ยตรงนี้ได้ตรวจสอบด้วยข้อเท็จจริงเออเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะได้รู้ความจริงไงว่าเรามองเป็นวัตถุกรรมนี่คือโทษนี่คือโทษเลยนี่คือปัญหาปัญหาของโลกเลยนะถ้ามามองโยมที่นั่งอยู่นี่เป็นวัตถุกรรมเนี่ยแปลว่าอามานี่ยุ่งนะ ยุ่งแล้วแสดงว่ า, ามาเนี่ยอามาในความคิดต่ำแล้วมองได้ยังไงใช่ไหมศึกษาระธรรมาขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่รู้ว่าเป็นวัตถุฐานเป็นสิ่งที่ควรสละควรบริจาคเพราะร่างกายและจิตใจเนี่ยเราถวายก็ูงมีบางเจ้าอยูแล้ว พระสมบัติของเราก็คือเป็นของพระพุทธเจ้าจริงๆทีนี้ถ้าเราเห็นอย่างนั้นจริงๆเราจะได้รู้ว่าสิ่งของทุกอย่างในที่ว่าเป็นสมบัติของเราของเราเนี่ยมันคือสมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเราอย่างเนี้ยเราไม่ตระหนักอย่างเนี้ยเราจะไม่สะดุ้งสะดือนหรืว่าเราถูกพระบรมศาสดาดูแลอยู่ ทั้งนั้นจะไม่สํานึกไงจะไม่สัานึกจะไม่เห็นคุณหรอกอจริงไหมยองแ ก, กแ้วก็เราถวายไปแล้วก็ร่างกายและชีวิตยังถวายและทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดส่วนแบ่งทั้งหมดใดๆต่า ง, งๆนั้นก็คือเป็นมรดกของพระพูทมีพระภาคแจ้วเขาเรียกว่าอามิสมรดกเป็นมรดกที่ไม่ดีเป็นมรดกที่ไม่สะอาด เป็นมรดกที่เจือด้วยเจือด้วยหละอามะศัพน์นั้นแปลว่าอะไรกินกิน ด, ดมันมีกิเลสไปฉาบติดเราเลยมองเป็นวัตถุกรรมไงเราไปยินดีเราไปเพลิดเพลินเราไปรุ่มหลงแล้วเ ร, เราไปมีปัญหากับมันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะวัตถุกรรมนี่แหละแท้ที่จริงนั้นี่ะคนที่เขามองพระพุทธเจ้าท่าบอกว่าไงเจตนาทาน วัตถุทานอนโลภาทานแล้วประเจตสิกทานยังไสี่อย่างถ้าเพิ่มห้าอย่างก็มาในหลายๆที่เลยนี่เรียนกันมาทางนั้นใช่ไหมใช่อันนี้เป็นสิ่งที่เรียนมาแล้วในเนี่ยที่ พ, พูดมาเนี่ยหรือหรือใครไม่ได้เรียนก็อีกเรียนแล้ว ทีนี้เขาว่าเจตนาทานเนี่ยไอเจตนาในการที่จะสละที่จะให้เนี่ยถ้าเราไม่ถ้าสมมุติเราไปมองเป็นวัตถุ ก, กรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีเท่านั้นแหละมันไม่คิดสละหรอกมันไม่เคยคิดให้คิดบริจาคใดๆเลยใช่ไหมไอตัวโลภามันก็ไปติดและไอตัวตัณหาตัวนี้มันก็เป็นปัจจัยเกิดมัชชริยะมันก็ห่วงเอาสิตัวเนี้ย แล้ววันวันหนึ่งมันก็แกะไม่ออกเพราะมันจะกอดอยู่กับไอ้วัตถุกราเนี่แหละทั้งทั้งที่วัตถุทานไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเพราะโทษของสังสารวัที่ผ่านมาให้สังเกตดูว่าถ้าถามว่าอบายศัต์เขามีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหมทำอารมณ์ไหมรร ม, ม, ไหมีมมใช่ไหมเรามีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์ไหมมีม เอนงี้เนี่ยแก้วใบเนี้นี่เนี่ยใแก้วใบเนี้ยอันนี้ก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมะลงใช่ไหมแล้วภายในขันห้าภายในก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมะลงต่างอะไรกันเอาต่างอะไรกันเนี่ยต่างตรงนี้มีวิญ ญ, ญาณของใช่ไหมใช่ แค <pir gravy> นั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์เท่ากันไหมแต่มันหยามและปลายี้ต่างกันเท่านั้นเอง<ม>ใช่ไม่ใช่นี่มองให้ดีนะตรงเนี <c ười> ้ยอบาศาสตร์ก็มีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์เทวดาก็มีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์แล้ว ต, ต่ง า, ตาตงกันตรงไหนต่างกรงตรงไหนต่างตรงความปรณและไม่ความและและความหยาบที่มันต่างตัวนั้นมาจากอะไรมันมาจาก มันมาจากเหตุใช่ไหมผลมันจึงต่างกันเพราะเหตุมันต่างกันถ้าถามมาว่าคนนอนใต้ใต้สะพานเนี่ยเขามีที่อยู่เขาไหมเขาก็มีเขาก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสแล้วก็มีธรรมาลมจะไปบอกว่าเขาไม่มีก็ไม่ได้ก็โลกใบนี้ไงเขาก็ได้ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสได้ธรรมาลมเหมือนกันเรานี่แหละใช่ไหมจะไปต่างอะไรกัน มันไม่ต่างแต่เรามันมันมองไม่ออกเลยว่าจริงๆมันทีนี้พอไปบัญญัติเรียกชื่อแล้วมันก็เลยไปกันใหญ่สรุปก็คือนั่นแหละถ้าใครมองเป็นวัตถุ ก, กามมันก็คือวัตถุ ก, กามเพราะเห็นผิดแต่ถ้าเราเห็นเป็นวัตถุทานเมื่อไรมันก็เป็นสิ่งที่ของที่ควรสละควรให้ควรบริจาค ทาวพระศาสดาจึงถามบอกว่าในกรณีแห่งทานทานบทานบรนบรมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าดูในอิทธิวิธกะที่บอกว่าถ้าใครรู้จักทานเหมือนตถาคตรู้ที่จะไม่ให้ทานก่อนบริโภคเป็นไม่มีเพราะเราไม่รู้ เราไม่รู้ว่าวัตถุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวัตถุฐานที่มันยุ่งทุกวันนี้เพราะเราไปมองเป็นวัตถุการมมันเจ็บปวดเลยถ้าไปมองอย่างนี้นมันก็เครียงมันก็วิตกมันก็กังวลเมื่อเราเข้ามาเป็นพุทธบริษัทเราจึงม้อกายถวายชีวิตเพื่อจะได้ให้ทพวกเราทั้งหลายมองว่ามันเป็นวัตถุการมอย่าไปยึดติดมันนั่นเองเป้าหมายคือตรงนั้นถ้าไปยึดติดขึ้นมาเนี่ย ปัญหามันตามมาเยอะแล้วมันเดือดร้อนมันท้ายปวดหัวแล้วพอเราถวายพระเจ้าไปเสร็จเอาก็ปลงใจแล้วสมบัติทุกชิ้นเป็นของพระเจ้าแล้วแต่เยวนี้สิ่งที่เราจะได้ทั้งหลายแท้จริงๆก็คือเป็นของพระเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราไม่เห็นคุณของท่านต่างหากโดยฐานะที่เราเป็นสาวกของพระผู้มีพระเจ้ากันเนี่ยเป็นบริษัทของพระองค์เนี่ยเป็นทาญาติของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่า ลำพังบุญของท่านเนี่ยดูแลบริษัทของท่านได้อยู่แล้วเราก็ไม่เข้าใจนะมุมเนมี้ยใช่ไหมใช่ว่าศ า, าสด า, ด, าดูแลเราเราก็บอกที่เราสิเราต้องดูแลกระแสชีวิตของเราอยู่เนี้ยคนก็ไม่กลา้าไม่กลา้าสลักไม่กลา้กลาน้อมถวายพระเจ้าก็เลยถวายกั น, กนแบบพอเป็นพิธีอยู่ พูดตรงนี้พูดยากเเนะี่ยถ้ามันต้องไปนั่งคุยกันเปการส่วนตัเนใช้ก็พูดดังหนาเนอะ <laughs> จะมาเรามาจะชี้ประเด็นะมาเคยเคออยนี่พ่รู้วันนี้เามาจะสื่อได้หรือเปล่าพีนี่ <laughs> ถ้ามองอย่างนี้นะพระเจรจ า, าเข้าใจทานกุศลเข้าใจทานเข้าใจรือไม่เข้าใจก็ถ้าฟังแบ่ดูก็เข้าใจไม่ผูดนะคะใช เข้าใจมั้ยเข้าใจใช่ไหมเ ข, เข้าใจทานไหมคิดคิดว่าเข้าใจมั้ยเอาเข้าใจก่อนก็นแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> เอ า, าเข้าใจก่อน <c oughs> <c oughs> ทีนี้ถ้ามองตรงนี้นะอือไอเจตนาทานเนี่ยเข้าใจเลย เอาจ ต, ตานาทานเนี่ยหมายถึงเจตานาที่เป็นไปกับกุศลจิตุบาทหรือที่เป็นไปกับอกุศลจิตุบาต ท, ที่เดียกว่าเจตนาทานเลยทีนั้นถะ้าเจตานาที่เป็นอกุศลนี่เป็นเจตานาทานได้ไหมเฉพาะนามมาทำอย่างเดียวเป็นเจตานาทานได้อยู่ไหมได้อยู่ไม่ได้ ไ, ดมไม่เกี่ยวกับวัตถุเลยในะได้ไหมนนั่งอยู่เฉยๆแค่ เราจะให้ทานได้ไหมให้ยังไงดีให้ยังไงครับทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นว่าในด้านของเจตนาทั้งหลายเนี่ยนะหรือเจตนาถ้าเจตนาที่เป็นไปกับอกุศลนี่ไม่เรียกว่าเจตนาทาน ใช่ไหมเจตนาที่จะเป็นเจตนาทานนะั้นต้องเป็นเจตนาที่ประกอบกับมหากุศลดวงใดดวงหนึ่งคือจิตที่คิดจะให้ทีนี้การที่บอกว่าจิตที่คิดจะให้เนี่ยเป็นเจตนาทานเนี่ยแล้วถามถามแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งแล้วเจตนาทานเกิดมากไหมเออถามดิเกิดไหม รู้ไหมว่าพระเนี่ยเขาจะต้องมีเจตนาทานเนี่ทุกวันรู้ไหม mm hmm. อยากจะรู้ไหมพระทป็นคิดยังไง mm hmm. อพระเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะท่านก็คิดถึงกิดของท่านใช่ไหม mm hmm. ในขณะที่ท่านมีกิตของท่านทงกิจส่วนตัวไปเสร็จท่านก็เริ่มคิดแล้วในขณะที่ที่ดูแลบาตร้านบาตร ท่านคิดยังไงท่านคิดว่าเราเนี่ยจับออกไปบินธบะเนี่ยเมื่อได้อาหารมาแล้วเนี่ยเราจะนำมาถวายแกสงเพราะท่านต้องคิดว่าเเราจะให้สงได้ได้ดถาวายสงก่อนเหลือจากนั้นแล้วท่านจะท่านจะ แล้วลองคิดดูดีทุกย่างก้าวมีกทานคิดไปอ่ะ ถ, ถ้าท่านต้องน้อมน้อมท่านต้องทำทานให้ทานของท่านแล้วปริมาณปุพพาเจตนาท่านมากไหม ม, มากนะกละัวต้องรอเดินไปกว่าจะได้กลัวจะได้ดิท่านคิดอย่างเงี้ยเวลาท่านเอาอาหารมาถวายแกสงท่านจะปราโมทไหมยท่านยินดีท่านปีตีท่านปราโมท จิตของท่านเป็นสาลาณดยธรรมใช่ไหมเป็นสาลาิยธรรมของท่านาการประพฤติเมตตากายกรรมเมตตาวิญกรรมเมตตามโนกรร ม, ม, ารรมสาธารณโภคีงไงนั่นแหละนั่นแหละเจตนาทางของท่านทีนี้ก็ไปดูท่านคิดยังไงต่ออันนี้นะ้ําดองดูมุม ค, คิดของท่าน ข้าวหนึ่งเม็ดใช่ไหมอันนังเนี่ยข้าวหนึ่งเม็ดเนี่ยตาหนังก็คือน้ำหนึ่งแก้วหนึ่งขวดถ้าท่านได้มาแล้วนยท่านคิดยังไงเอ้ท่านคิดยังไงในข้าวนั้นนมีสีไหมมีเสียงไหมเวลากัดกินเข้าไปมีเสียงยินไหกลิ่นมีไหมรสมีโอชาไหม แล้วก็มีโพธิพระมไหมใ่ค<ม>่ะแล้วก็มีธรรมารมณ์เ<ม>นี่ยเนี่ยท่านคิดอย่างนี้เออเราจะให้เราจะถวายสีเป็นประธานบางท่านก็ปานรกสีของข้าวเป็นประธานเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรมรมอารมณ์ก็มาเป็นบริวารเพื่อถวายแดสส่สมเอาละจี วิจัยยาทานังไหมท่านให้ในนอกน้อมอะ่ะเอาถามน่อยเดี๋ยวถามอันที้สงไปดูในทักทินาวิภังกระสูรให้อาหารให้ข้าวเนี่ยแก่สัตว์ดิราฉานเนี่ยมีผลเท่ไาไหร่มีผลเท่าไหร่เท่าไหร่ ร้อยอัตภาพ้าร้อยอาตภาพให้แก่คนทุศีนพันเห็นไหมขึ้นมาเป็นพันอัตภาพให้แก่คนที่มีศีนเห็นไหมขึ้นเป็นหลักแสนเอาจำได้ไงเนี่ยอาจำได้เลยอ๋อแสนอัตภาพ แ ล, แล้วให้กับคนที่ได้ชาสมาบัตภายนอกศาสนาแสงโกฎอัตภาพเห็นไมให้กับคนที่ปรารถนาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันหาประมาณนีได้เห็นไมนับขึ้นไปเลยสกาทาคารนาคาที่กำลังนะ กำลังจะไปเรียนบัตรนะฮจนถึงสองอ่ะฉะนั้นทะ่านถึงใช้คำว่าหาประมาณไม่ได้ไอ้คำว่าเอาข้าวเม็ดเดียวเนี่ยให้แกสัตว์ทีราดา้ฉาเนี่ยได้ร้อยอัตราพร้อยคูณเท่าไหร่ร้อยคูณเท่าไหร่อะไม่ใช่ร้อยต้องคูณห้า อ, อายุไง อายุวันนะสุขาพภระแล้วก็ปฏิพาน์คือปัญญาถามว่าข้าวหนึ่งเม็ดเนี่ยทำให้อายุของสาาัวเดรัามีอายุยื น, นได้ไหมใช่มีอายุอยู่ได้นะเนี่ยเพราะมีวิตามินมีโอชาธาวันนะของเขาก็เปล่งปลั่งขึ้นมาใช่ไหม ความสุขเขาได้ไหมกำลังมีขึ้นมาไหมแล้วก็ได้ปัญญานี่คืออดีสงนิสงอามองอย่างนี้จะเห็นอะไรเนี่ยเพราะการให้ของเรานะัปริมาณปุพพาเจอิอนาของเรามันอ่อนเราไม่คิดมุมนี้ไงเราไม่เห็นอดีสง แล้วเราไม่เห็นบอก ว, ว่าถ้าใครรู้จักทานเหมือนจะถามคนรู้ที่จะไม่ให้ทานก่อนบริโภคนั้นไม่มีแล้วถามว่าวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตที่คิดจะให้เรามันมีไหมเนี่ยอเอาแค่สติรอายค า, าไม่ต้องพูดถึงบุคคลอื่นนะเอาละจีตนนี้ไปนั่งคิดแล้ว ทีนี้ต่อใช่ไหะอันนี้เป็นอะไรเมื่อกี้เป็นวัตถุ ก, กรรมหรือวัตถุทานโ <iş sediment. S 1> ดยข้อเท้จริงต้องเป็นเราต้องเป็นวัตถุทา น, านใช่นไหม <fur> คือเป็นสิ่งที่คาว่าวัตถุทานแ <unbox S 1> ปน<ผ>ลว่าอะไร<ม>เป็นสิ่งที่ควรให้เนเป็นสิ่งที่ควรสละเป็นสิ่งที่ควรให้เด็กๆทำไมจึงเป็นสิ่งที่ควรสละเป็นสิ่งที่ควรให้ วัต ถ, ถุสิ่งของที่พึงให้เ้าเรียกว่าวัตถุสิ่งของที่พึงให้ที่พึงสละแต่ถ้าไปมองเป็นวัตถุกรรมแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ารักน่าไถ่น่าห่วงและมันไม่อยากให้เพราะเพราะอะไรเพราะมันยึดติ ด, ตดถามว่าทานใกุศลนี่ทำลายจริตอะไร ตัณหาจริต น, นคนที่มีตัณหาจริตราคะจริตนั้นพระองค์จึงส อ, งอนทานเอานี้ถามหน่อยถ้าไม่เข้าใจทานอุปสมที่พระบรมศาสดาตรัสไว้จั บ, บรรลุได้ไห ม, ไ, ม ไ, ดได้ไม่ได้ไไดเพราะอะไรจึงบรรลุไม่ได้ อันนี้นะทานนะมีการบริจาคมีการสละเป็นลักษณะใช่ไหมมาจะาคำว่าปริจาคคาระคณังเนะ่ยทานนี่ทำลายอะไรโลภะวิทังสนาระสังแปลว่าอะไรทำลายโลภะเป็นอัตเป็นกิจ กิใใจราศาสตร์เทำลายโลภะแล้วผลปรากฏของทานคืออะไรภาวะวิภาวะสัมปติปัจจุปถานนั้นแปลว่าอะไรคือความสมบูรณ์แห่งภพชาใช่คือความสมบูรณ์แห่งภพชาติ คำว่าพาา er าบชาติคืออะไรดรระดาคำวมาพบในที่นั้นคืออะไรคำว่าพบชาติมีความสมบูรณ์เหี่ยงพบชาติคือยังไงสมบูรณ์ยังไงก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สมบูรณ์สิ่งแวดล้อมก็สมบูรณ์นี่คือความสมบูรณ์เหี่ยงพบชาติแล้วตอนนี้สมบูรณ์ไหมล้วเนี่ยไม่นี่ไงนี่เราเห็นแล้ว และวิภาวะนั้นแปลว่าอะไรคือความสิ้นพบชาติเป็นอาการปราโกรธนี่ไงเพราะเราไม่เข้าใจทานนี่แหละ